เป็นคนหลุลักให้เคยฆ่าคนเคยกินเหล้าโมยาคอยตีเขาว่าเขาคุ้มครองตระบุของเขาเขาเป็นคนเจริญจะให้ใครมาเบียดเบียนพี่น้องเขาไม่ได้เราออกรับพอตีพอตีพอฆ่าฆ่าไปอยมาจแล้วพ่ออ่ อ, อ, อพี่ชายก็เป็นห่วงน้องชายเอามาบวชเอามาบวชแล้ว มาให้หลวงพ่อสอนเปิดปฏิบัติธรรมแบบนี้อยู่เดือนถึงพอดีที่วัดทำมาเสนาจังหวัดตรังธานีตาองให้หลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนให้เดินจังกองหลวงพ่อก็เดินอยู่ข้างๆพอเดินจังกองหลวงพ่อกห็หน้าหน้ารือตาหน้าบูดตาเบิง่งคนใจร้ายนะมันมายืเมเงินจะเสมันเราคนใจร้ายร้อน พอให้โย่นึ่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องคิดเปนมไปเรื่องหนึ่งวันสองวันหน้าตามควาเยียดพวันที่สามที่สี่มามากราบหลวงพ่ออาจารย์อาจารย์ผมไม่ใช่ว่าจะมาบวชอะไรหรอกผมมาบวชเพราะพี่ชายบังคับให้ามาชา่วยใจผมจะเสืยอนะออย่าไปคิดเรื่องสเสื่องบวชคืนนี้เรามาจเจริญสติ อันตึกอันรวชมาช่วยเรื่องควาคิดเราไม่ใช่เรื่องวคาองวามคิดเดี๋ยวนี้เรามาใช้ถี่เดินอย่านี้นมาลู่สึดตัวรู่จุกตัวนี้นมันคิดอะไรก็ไปตามมันเละไม่ใช่เรามาลู่จึกตัวรู่จุกตัวเห็นมันไหมไมันคิดเห็นครับเราไมทั้งตามมันหดเหลยไม่รู้เหมือนดไม่ได้การจะมาสร็จการเสึกไม่ลำบากไมาเท่าหร ผมซืให้ก็ได้ถ้า ม, มงี้ยื้องเกงซื้อให้ก็ได้ไมันใช่คิดจนพูดเจ้าไปหมดเลยถ้าดำกันเพียมันคิดมาหลายวันแล้วใช่ไหมเนะี่ยครับคิดมาหลายวันไปด น, นึ ก, นน ก, นก่ น, ไ, น, กนกไปดนึก็อนพอนึก็มีก็เอาไม่เลยไปโอ้ยใช้จะขาดไปับมาไม่เอาไม่เอาหวดหซึกซึกซึก ถ้าไปชวนก็นั่งคุยกันการคิดนี่นะผมบอกให้ดูมันหนาไปเชื่อมันหมดหรือความคิดนมันคิดจากจากเสรก็ไปพูดไปโกรธนี่คิดเฉยก็โกรธเหรอมันคิดนีมดน่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือบอกให้เรียนมันสั่งให้มาหามันคิดเฉยๆน่ ะ, นะมันไม่ใช่เป็นจริงอะไรเราดูดีๆไสอนไปสอนไป พาไปเดินจะกองบิดพอเดินกอบิดนานหลาชั่วโมงกลับมากราบเท่าหลวงพ่อโออาจารย์เน่ยผมอ่ะผมไม่เห็นคนคิดถ้าอาจารย์ผมศึกอ่ะผมไปฆ่าคนสองศพผมศึกไปแล้วผมจะเอาเปืนกับลูกชายผมผมจะขี่รถวชยัยผมเคยฆ่าคนมาเท่าไหร่มันจับผมไม่ได้หรอกผมจะผมวางเถนแเรา ผมเจอแล้วผมจะเอาเปืนแบบลูกชายผมจะขี่รถมอไซค์ไปฆ่าคนนะฆ่าคนนี้มันจับผมไม่ได้แลโอ้มาไล่ฆ่าได้แล้วความคิดได้แล้หมาเห็นความคิดของตัองน้ําตาไหลเสียใจที่ชีวิตผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีผู้ความคิดหลอกใค้ฆ่ให้แยังให้โกหกให้โลคให้ลงมให้ลักให้จังก็มาเห็นความคิดชัดเจน มาจนเมื่อพึ่งมาเสีกไปเมื่อหกเจ็ดปีเนี่ยก่อนจีเสีกก็่อนก่อนจะเรามาเสียชีวิตไปแล้วฟอนใกล้จะตายก็ก็เชิญจมอยมาหาหลวงพ่ อ, อบอกว่ให้ไปทาศพถห้ประเทศได้ศพด้วยตอนนั้นหลวงพ่อกไปไม่ได้เพราะว่าไม่งานาแล้วความคิดมันหลอกเท่าไหร่แล้วความคิดนะคิดขึ้นมานั้นตาไหลมีไนะ คิดกันมาเราจึงไม่ได้มีไหมแค้นใจน้ำตาร่วงมีไหมมันฉี่ช่างขี่ม้ามาหรือจึงทำให้น้ำตาร่วงมันเจ็บปวดขนาดไหนภาษาความคิดเฉยๆนะแล้วเรก็ทําลายคนมากแล้วความคิดเราจึงมาเห็นมันเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดต่นคิดให้ามาสร้างความรู้สึกตัวไว้ก่อนถ้าความรู้สึกตัวมากผมก็หัดตัวนั่นแล้ว ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวความคิดก็เป็นใหญ่ในชีวิตเราเลยถ้ามีความรู้สึกตัวความรู้ตัวก็เป็นใหญ่หรืว่าจิตอินทรีย์เป็นใหญ่ด้วยเราจะมาสร้างตัวนี้มาสร้างตัวนี้หาอกาสมาสร้างนะาการเคลื่อนไหวที่ะวินาทีหนึ่งลูกวินาทีหนึ่งสิบสี่ <c oughs> ิบี่จังหวะก็สิบสี่ลูกถ้าลูกทุก น่นาีเจะาวังหนึ่งก็สาม0ันหกรอยลูกหกร้อยนาทีถ้าลูกทึบนาทีมันก็ได้สาม0ันกรอยูกติวันหนึ่งจะมีกี่ลูกมันก็มากได้จนเป็นมหารู้มหาสติปัฏฐานตอนนั้นน่ะไม่ต้องไปห้ามมาดอกความเพียรนะเพราะตัวรู้มันไปใหญ่แล้วมันจะสอนเองเราไม่ต้องไป ยงไปยากกับจิตกับใจอะไรหัวเลาะมันได้ทําใหม่ใหม่ว่าเออสาวนี่ก็คิดแล้วไปแล้วไปถึงไปราแล้วเอกรรมมาจิบมาพิกเหมือเคลื่อนไว้ไปมาอสอนตัวเองหัวเลาะความคิดตัวเองได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจสตินี่เป็นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างนิ่งนวลยอดเยี่ยมที่สุดเลยอันนี้ต้องตัวใคยตัวมั่นทําให้กันไม่ได้นะ เอาให้กันมาได้ดึงแขนจับแขนดึงวิ่งหนีจากไปสู่ความหนีจากความเกิดเจอบเจ็บตายความรู้ความกดความหลงไม่ได้เราต้องไปเอาเองถ้ามันหลงก็รู้ไปแล้วไปจากความหลงไปสู่ความรู้แล้วถ้ามันกดก็รู้จึตตัวไปจากความกดไปสู่ความรู้แล้วถ้ามันทุกข์ก็รู้จึกตัวไปจากความทุกข์สู่ความรู้แล้วจึงจึงเป็น ที่ว่าสถาบันชีวิตของเรามันมีอย่างนี้เป็นเรื่องการตื่ล้นที่จะบอกไปสอนกันนะจําเป็นจริงๆเพราะหลวงตานี่เคยเข้าสงครามการเจ็บการแก่การเกิดการตายมาแล้วมันอาศัยตนนี่จริงๆนะอาศัยตรงไหนอาศัยความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงพ้นทุกข์ความไม่ทุกข์พาให้พ้นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนพาให้พ้นทุกข์ ไม่เชื่อมาเป็นทุกข์หลายชีวิตที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความทุกข์มาเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์บัดนี้มันเปลี่ยนได้ความไม่เที่ยงมาเป็นตัญญาความเป็นทุกข์มาเป็นปัญญาความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นปัญญาเรียกว่าเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกอย่างมาเป็นตัวรู้มาเป็นปัญญาทั้งหมด เป็นรักเป็นผลอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นบ้านเป็นวันงที่ไหนอยู่กับชีวิตของเราที่เกิดผลตนเองอย่างดีนี่อ่าก็พูดให้ฟังก็สมก่อนเจอเวลาฮะสาหรับวันนี้นะฟังฟอ่าเล่นแข่งอยู่มันตายขึ้นเล่นแข่งอยฟังฟารู่ไหมอ่เล่นแข่งร้อหนอย่มันตา ย, ย, ตายขึนย้นไปอ่า ยังดีแหม